แนวอธิบายอาริยสัจโดยสังเขปข้องอถ้าถึงพระรัตนตรัยก็ไม่รอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริษปฏิหารเลิกฝากตัวกับโชคชะตาอาริยสัจข้อ4มักมักคือทางดับทุกข์ หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกาจัดสาเหตุแห่งปัญหาเมื่อรู้ทั้งปัญหาทั้งสาเหตุแห่งปัญหาทั้งจุดหมายที่เป็นภาวะหมดสิ้นปัญหาทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็พร้อมและเป็นอันถึงเวลาที่จะลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะแง่ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดโดยตรงก็คือเมื่อรู้จุดหมายที่จะต้องไปให้ถึงว่าเป็นไปได้และคืออะไรแล้วการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายนั้น จึงจะพลอยเป็นไปได้ด้วยถ้าไม่รู้ว่าจุดหมายคืออะไรจะไปไหนก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติหรือเดินทางได้อย่างไรดังนั้นว่าโดยความสัมพันธ์ระหว่างข้อธรรมด้วยกันมักย่อมสมควรเข้าลําดับเป็นข้อสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งว่าโดยวิธีสอนตามธรรมดานั้นการปฏิบัติเป็นกิจที่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงกาลัง ถ้าผู้ปฏิบัติไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งที่เป็นจุดหมายก็ย่อมไม่มีกำลังใจจะปฏิบัติยิ่งถ้ารู้สึกว่าการปฏิบัตินั้นยากก็อาจเกิดความระยอท้อถอยหรือถึงกับไม่ยอมปฏิบัติแม้หากปฏิบัติก็อาจทำอย่างถูกบังคับจำใจฝืนใจสักว่าทำไม่อาจดาเนินไปด้วยดีในทางตรงข้าม ถ้าเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งที่เป็นจุดหมายแล้วก็ย่อมยินดีปฏิบัติยิ่งจุดหมายนั้นดีงามเขาอยากได้มากเท่าใดเขาก็จะยิ่งมีกําลังใจปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งมากเท่านั้นเมื่อเขามีฉันทะจริงจังแล้วแม้ว่าการปฏิบัติจะยากลําบากเท่าใดก็ตามเขาก็จะพยายามสู้ทําให้สําเร็จการที่พระพุทธเจ้าตรัสนใโอดไว้ก่อนหน้ามรต ก, ก็เพราะเหตุผลข้อ น, นี้ด้วยคือให้ผู้ฟังมีความหวัง และเห็นคุณค่าของนิโรธที่เป็นจุดหมายนั้นก่อนจนเกิดความสนใจกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิธีปฏิบัติและพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติต่อไปเมื่อพระองค์ตรัสแสดงนิโรธให้เห็นว่าเป็นภาวะควรบรรลุถึงอย่างแท้จริงแล้วผู้ฟังก็ตั้งใจที่จะรับฟังมักด้วยใจมุ่ง ม, มั่นที่จะเอาไปใช้เป็นข้อปฏิบัติและทั้งมีกาลังใจเข้มแข็งพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตามตมัต และยินดีที่จะเผชิญกับความยากลําบากในการปฏิบัติตามมักนั้นต่อไปเมื่อมองหาเหตุแห่งทุกข์มนุษย์ชอบมองออกไปหาที่ซัดทอดภายนอกหรือมองให้ไกลจากความรับผิดชอบของตนเท่าที่จะเป็นไปได้ฉันใดเมื่อจะแก้ไขทุกข์มนุษย์ก็ชอบมองออกไปข้างนอกหาที่ปกป้องคุ้มครองให้ตนพ้นภาระหรือให้มาช่วยทําการแก้ไขทุกข์แทนให้ฉันนั้นว่าโดยลักษณะ การกระทําทั้งสองนั้นก็คล้ายคลึงกันคือเป็นการหลบหน้าความจริงไม่กล้ามองทุกข์และเลี่ยงหนีกา ร, รเผชิญความรับผิดชอบเหมือนคนหนีภัยด้วยความคลาดกลัวหาที่พอปิดตาซุกหน้าไม่ให้เห็นภัยนั้นนึกเอาเหมือนว่าได้พ้นภัยทั้งที่ทั้งร่างทั้งตัวถูกปล่อยทิ้งไว้ในพยันตรายท่าทีเช่นนี้ทาให้เกิดนิสัยหวังพึ่งปัจจัยภายนอกเช่น การอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบนบาลเส้นสวงสังเวยการรอคอยการดนบันดาลของเทพเจ้าหรือนอนคอยโชคชะตาพระพุทธศาสนาสอนว่าสิ่งที่หวังพึ่งเช่นนั้นหรือการปล่อยตัวตามโชคชะตาเช่นนั้นไม่เป็นทางแห่งความมั่นคงปลอดภัยไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์แท้จริงวิธีแก้ไขทุกข์ที่ถูกต้องคือมีความมั่นใจในคุณพระรัตนตรยัย ทำใจให้สงบและเข้มแข็งแล้วใช้ปัญญามองดูปัญหาอย่างมีใจเป็นกลางให้เห็นตามสภาวะของมันและพิจารณาแก้ไขปัญหานั้นที่เหตุปัจจัยพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อมีศรัทธาในพระรัตนตรยัยก็คิดที่จะดำเนินวิธีแก้ไขปัญหาตามหลักอริยสัจสีประการคือกำหนดทุกข์สืบสาวหาสาเหตุแห่งทุกข์เล็งรู้ภาวะดับทุกข์ ที่จะพึงบรร ล, ลุแล้วปฏิบัติตามวิธีแก้ไขที่ตรงเหตุซึ่งพอดีที่จะให้บรร ล, ลุจุดหมายเรียกว่ามักมีองแป8กการปฏิบัติเช่นนี้จึงจะเป็นทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงทั้งนี้สมดังพุทธพจน์จากเรื่องโปรโรหิตชื่ออักิทัตในขุตกานิกายคาถาธรรมบทว่ามนุษย์มากหลายถูกภัยคุกคามแล้ว พากันหาสิ่งต่างๆมากมายเป็นที่พึ่งยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างสวนและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างเป็นสารณะแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่พึ่งอันกเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันอุดมคนยึดเอาสารณะอย่างนั้นจะพ้นไปจากสรรพทุกหาได้ไหมส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะ มองเห็นด้วยปัญญาโดยท่องแท้ซึ่งอริยสัจสี่คือทุกข์เหตุให้ทุกขเกิดขึ้นความก้าวล่วงทุกข์และอริยมรรคามีองค์8ปอันให้ถึงความสงบระงับทุกข์นี่แหละคือสาระอันกเกษมนี้คือสาระอันอุดมคนถึงสาระอย่างนี้แล้วย่อมปลอดพ้นจากทุกทั้งปวงพระรัตนตรัยเป็นหลักใหญ่สามเศร้า ที่ชาวพุทธพึงระลึกตรรกะอยู่เสมอคือพุทธธรรมะสังฆะหรือพุทธธรรมสงศ์รัตนะที่หนึ่งพุทธเป็นหลักใหญ่ที่ชาวพุทธพึงระลึกตรรกะถึงมนุษย์ชี้ถึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในมนุษย์แต่และบุคคลรัตนที่สองธรรมะเป็นหลักใหญ่ที่ชาวพุทธ พึงระลึกตราหนักถึงธรรมชาติธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยที่รู้แล้วจดลุธรรมที่เหนือเหตุปัจจัยรัตนที่สสังฆเป็นหลักใหญ่ที่ชาวพุทธพึงระลึกตรานักถึงสังคมสังคมอุดมกติแห่งอริยชนผู้ดาเนินอยู่ในขั้นต่างๆแห่งการรู้ธรรมและก้าวตามวิถีแห่งพุทธพระพุทธเจ้า เป็นที่ระลึกให้มั่นใจว่ามนุษย์คือเราทุกคนนี้มีสติปัญญาความสามารถที่อาจฝึกปรือหรือพัฒนาให้บริบูรณ์ได้สามารถยังรู้สัจธรรมบรรลุความหลุดพ้นเป็นอิสระไร้ทุกข์ลอยเหนือโลกธรรมและมีความดีสูงเลิศที่แม้แต่เทพเจ้าและพรหมก็เคารพบูชาดังมีพระบรมศาสดาเป็นองค์นำมนุษย์ทั้งหลาย ที่หวังพึ่งเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้ารู้จักฝึกอบรมตนให้ดีแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่เทวะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะทำให้ได้เหมือนดังที่กรรมดีและจิตปัญญาที่พัฒนาดีแล้วของมนุษย์เองจะสามารถทำพระธรรมเป็นที่ระลึกให้มั่นใจว่าความจริงหรือสัจธรรมเป็นภาวะที่ดารงอยู่โดยธรรมดาสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัย ถ้ารู้จักมองดูรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่มันเป็นจริงนำความรู้ธรรมคือความจริงนั้นมาใช้ประโยชน์ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายด้วยความรู้เท่าทันสภาวะและกระทำการที่เหตุปัจจัยก็จะแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดเข้าถึงธรรมและมีชีวิตที่ดีที่สุดพระสงฆ์เป็นที่ระลึกให้มั่นใจว่าสังคมดีงามมีธรรมเป็นฐานประกอบด้วยสมาชิก ผู้มีจิตใจไร้หรือห่างทุกเป็นอิสระเสรีแม้มีพัฒนาการแห่งจิตปัญญาในระดับแตกต่างกันแต่ก็อยู่ร่วมกันด้วยดีมีความสมเสมอกันโดยธรรมมีความสามัคคีรวมกันร่วมกั น, กนและเกื้อกูลหนุนเสริมกันและกันให้ก้าวไปในมรรคาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นมนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วมอยู่ร่วมสร้างสังคมเช่นนี้ได้ ด้วยการรู้ธรรมและปฏิบัติตามธรรมถ้าไม่มีความมั่นใจในพระรัตนตรยัยก็ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเช่นเส้นสวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานเทพเจ้าเป็นต้นต่อไปแต่ถ้ามั่นใจในพระรัตนตรัยแล้วก็เรียนรู้หลักการดับทุกข์แก้ปัญหาด้วยปัญญารู้เหตุปัจจัยตามหลักอริยสัจและปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาตัวคนของมัทในพระพุทธศาสนา